ผมไม่คุ้นนะกับการตื่นตีสามตีสามครึ่งมาเทนั้นไม่พอเวลานอนนะก็ที่นี้ก็ต้องนอนเร็วคนจำนวนมากนะตื่นเมื่อพระอาทิขึ้นแล้วบางคนก็ตื่นสายบางคนตื่นนะเวลากลางคืนนะส่วนกลางวันที่หลับ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 ล้างหน้าถูฟันหรือบางทีไม่ทานจะล้างหน้าถูฟันนะก็คือนะเปิดโทรศัพท์เนะช็คข้อความนะดูไลน์แต่ว่าที่นี่นะพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกๆที่ทำนะหลังจากอาบน้ำหรือล้างหน้าถูฟันก็คือการมาทำวัดมาสวดมนตนะ์ซึ่งก็เป็นการเตรียมใจนะ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 นะเราจะมานะมาสร้างนิสัยใหม่นะก็คือการมาดูกายดูใจนะนั่งอยู่กับที่นะไม่ต้องออกไปเพ่นพ่านที่ไหนเนะวลาทำงานเราก็อาจจะไปพูดไปคุยกับคนทำานวะนทำ น, น, ทำนี่แต่มาที่นี่นะ่นะอิเลีย บ, บทหลักอันนี้คือการนั่งสร้างจังหวะ แต่รูปแบบไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องการนะดูกายดูใจเดินจงกรมก็เหมือนกันนะก็กลับมารู้กายรู้ใจนะว่าตอนนี้กายมันทำอะไรนะแล้วทำไปทำไปใจมันึเผลอคิดไปออาก็รู้อันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่แทบจะไม่ค่อยได้ทำเลยนะเพราะว่าเรา ถูกดึงให้ไปจดจ่อสนใจอยู่กับสิ่งนอกตัวซะเยอะนะวิชาความรู้นะที่เราเรียนมันก็เป็นเรื่องนอกตัวส่วนใหญ่นะแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ของเรานะมันก็เป็นการเรียนนะโดยการเอาจิตไปจดจ่อสิ่งภายนอกนะมากกว่าที่จะกลับมานะมองดูตน ที่นี่เราจะมามองเรียกว่าย้อนสอนนะที่เคยส่งออกนอกก็กลับมาดูข้างในเรียกว่าตรงข้างกูเลย180แปสิบองศาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเรียกว่าตั้งแต่เล็กจนโตหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ความคิดนะมากมาย เราถูกฝึกด้วยซ้ำนะให้ต้องใช้ความคิดเยอะๆนะแม้จะไม่บางแห่งจะไม่เนนเรื่องการท่องจำนะแต่ก็ฝึกให้เรารู้จักคิดซึ่งมีประโยชน์นะเราใช้ความคิดกันในแทบทุกเรื่องเลยแต่มาที่นี่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวางความคิดนะการวางความคิดความคิดนี่มีประโยชน์นะ แต่ถ้าเราใช้มันพั่มเพื่อเนี่ยมันจะคิดไม่หยุดเลยหลายคนมีปัญหามากในเรื่องนี้คือคิดไม่หยุดนะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเวลากินก็คิดนะนะคิดบางเรื่องถ้าคิดเรื่องดีๆก็ก็เพลินนะแต่พอคิดเรื่องที่มันชวนให้พิตกกังวลทำให้เครียด ก็กินไม่ลงเนะจอข้อความนะที่เขาคอมเมนต์ทางเฟซบุ๊กแรงๆเนี่ยบางทีก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเพียงแค่เข้านะแค่ประชดประชันเนี่ยเราก็เครียดเลยโกรธโมโหไอ้ที่กำลังกินข้าวอยู่นะก็กินไม่ลงแล้วนะอันนี้เพราะความคิดนะมันไม่ใช่เพราะ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 มันมาใช้ให้เราเนี่ยคิดคิดคิดคิดคิดนะเราร่างกายบอกว่าจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วแต่ความคิดมันบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนนะสมองต้องตื่นมาคิดคิดคิดนะทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยนะไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่นะแต่ว่าความคิดมาใช้เรามากกว่าและที่เรา พอให้ความคิดมาใช้เราก็เพราะการที่เราคิดอยู่เรื่อยๆคิดคิดคิดคิดคิดจนไม่มีสติอะคิดจนลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยความคิดมันก็เลยมาครอบามจิตใจเราเนาะเรียกว่ฟุ้งไม่หยุดนพอฟุ้งไม่หยุดก็เลยนต้องพูดต้องพูดพูดพูดคนที่พูดเพ้อเจอในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคิดไม่หยุดนะมันต้องหาทางระบายนะ เราใช้ความคิดมามากแล้วนะถึงเวลาที่เราจะรู้จักวางความคิดบ้างนะความคิดมีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเร า, าไม่รู้จักวางบ้างเนี่ยมันก็จะเกิดโทษนะมันเหมือนกับรถนะรถที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูงเดี๋ยวนี้รถแต่ละคันแต่ละคันแต่ละยี่ห้อนี่เร็วมาก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 น้อยไม่หลับพราความคิดซึ่งทำให้ปรุงอารมณ์มารบ ก, กวนจิตใจนะคนเราเนี่ยเรียนผูกอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเรียนแก้ด้วยนะการใช้ความคิดเนี่ยคิดเก่งก็เหมือนกับว่าเรียนผูกนะผูกเก่งก็ต้องรู้จักแก้ปีน ต, ต้นไม้เก่งดีแล้วนะปีนขึ้นต้นไม้เก่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่ง แต่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วก็ต้องรู้จักลงให้เป็นด้วยบคนสมัยนี้เนี่ยนะใช้ความคิดในการพาชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความสําเร็จนะพาชีวิตเนี่ยเข้าสู่ภาะวะขาขึ้นแต่เวลาจะลงเนี่ยลงไม่เป็นนะเราเรียนรู้แต่เรื่องว่าทําไงถึงจะประสบความสําเร็จนะแต่เราไม่ได้เรียนรู้ว่าเออทําไง แลนะเมื่อทำไมจึงจะลงจากความสำเร็จได้อย่างนุ่มนวลนนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นสูงแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องอลงต่ำตงนั้นแหลนะเหมือนเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยเราจะเรียนแต่วิธีการพาเครื่องบินเหินขึ้นฟ้าอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องรู้จักคุมเครื่องบินให้มันสามารถจะล่อนนะสู่พื้นได้อย่างนุ่มนวล และปลอดภัยเรือซอฟแลนดิ้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราเหมือนกับว่าเรียนแต่วิธีการคุมบังคับเครืค่องบินให้บินขึ้นสูงแต่ว่าไม่รู้จักนะบังคับเครืค่องบินให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยเราคิดแต่เรื่องเรียนรู้แต่เรื่องว่า how to จะสาเร็จได้อย่างไรนะแต่ว่าไม่เลยรู้เรื่อง how to ว่าเออจะลงจากความสำเร็จหรือเวลาเจอความล้มเหลวเนี่ย เราจะล้มเหลวได้อย่างไรอย่างมีความสุขนะแล้วก็อย่างฉลาดไม่ใช่ล้มเหลว อ, อย่างผู้แพ้หรือว่าล้มเหลว อ, อย่างหมดเนื้อหมดตัวหมดอะไรตายอยากมีเงินร้อยล้านพันล้านถึงเวลาล้มเหลวก็ทําใจไม่ได้ค่าตัวตายนะอันนี้เป็นเพราะว่าพื้นฐานเลยก็คือเรียนแต่วิธีการใช้ความคิด แต่ไม่รู้จักวางความคิดมันถ้าวางความคิดแล้วเนี่ยมันไม่ฟุ้งซ่าหรอกนะถึงเวลาล้มเหลวนะเออมันก็วางได้มันไม่มาหมกมุ่นกลุ้มใจนะสุขภาพที่เคยดีวันหนึ่งนะมันเจ็บมันป่วยอันนี้ก็เรียกวาขาลงนะด้ยวยาคนแก่เนี่ยคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมีสุขภาพดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยความแก่ด้ความเจ็บป่วยทุกช่วง ทุกชีวิตเนี่ยมันต้องลงเอยด้วยขาลงทั้งนั้นกันนะขาลงในเรื่องความแก่ในเรื่องความเจ็บป่วยทำการงานก็ไม่ค่อยได้ตาก็ฟ้าฟางหูก็ตึงอันนี้แหละคือขาลงของทุกชีวิตนะสุดท้ายก็ตายแต่ว่าแม้เราจะเจอกับภาวะขาลงนะไม่ว่าระหว่างทางหรือว่าปลายทางก็ตามนะ แต่ถ้าเรารู้จักวางความคิดได้นี่มันก็ไม่กลุมนะไม่เครียดนะแต่ก็ไงถึงตรงนั้นนะ่ะแม้แต่เวลาช่วงที่ชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นหลายคนก็เครียดนะประสบความสำเร็จมากมายนะมีกิจการเป็นร้อยๆกิจการแต่ว่านอนไม่หลับบางทีก็ถ่ายไม่ออกเลยนะเพราะความเครียดนี่เพราะไม่รู้จักวางความคิดนะ แต่มาที่นี้น่เราจำไว้เลยรู้เรื่องการวางความคิดนะก็ mm hmm. คือว่าเวลาเรายกมือสร้างจังหวะก็ดีเยินตรงกลมก็ดีไม่ต้องใช้ความคิดอะไรแค่รู้สึกนะแค่ใช้ใจเนี่ยรู้สึกนะไม่ได้ใช้หัวคิดแต่ว่าใช้ใจรู้สึกรู้สึกว่ากายมันเคลื่อนนะเท้าขยับนะเอาความรู้สึกตรงนี้แหละนะเป็นเบื้องต้นใช้ความรู้สึกซะบ้าง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 มันมีการใช้ความคิดมากำกับการปฏิบัติตลอดเวลานะอย่างน้อยก็ในร่วของการบริกรรมนะคิดยืมือยกมือผายออกมือไว้ที่หน้าอกไว้ที่ท้องอะไรเนี่ยนะมีการภากนั่นคือการใช้ความคิดอย่างหนึ่งนะแล้วก็วางไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักหยุดหรือไม่รู้จักวางนะนะลองมาฝึกนะักการวางความคิดดู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 หรือว่าคะแนน ส, สูงๆขณะที่เรียนไปก็นึกถึงความสําเร็จเนี่ยเรียกว่าเป็นชี่เราเนี่ยถูกรอห้อมมาให้มุ่งความสําเร็จนะให้มุ่งความสําเร็จแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยมันต้องวางนะมันต้องวางให้ความคิดแบบนี้หรือว่านิสัยแบบนี้ลงจริงอยู่นะความคาดหวังเนี่ยในความสําเร็จ หรือว่าความคาดหวังอยากจะพบกับความสงบนะห่างไกลจากความทุกข์หรืออะไรก็ตามนะที่เราหวังเนี่ยมันพาเรามาที่นี่นะอุตส่าห์เดินทางนะหลายร้อยกิโลเพื่อมาที่นี่อุตส่าห์เสียเสียเวลาสละเวลามาหลายวันนะเพื่อจะมาปฏิบัติที่นี่ความคาดหวังนะความมุ่งผลสำเร็จเนี่ยมันพาเรามาที่นี่ แต่ทันทีที่เราลงมือยกอยกมือสร้างจังหวะทันทีที่เราเริ่มเดินจงกรมแล้วต้องวางนะวางนะเพราะถ้าเราไม่วางเนี่ยเราจะทำได้ความทุกข์นะหลายคนเนี่ยเวลาทําแล้วก็จะเครียดหน้าดํำข่าเคร่งนะมีความรู้สึกแน่นหน้าอกเพราะเขาเนี่ยมีความคาดหวังนะว่าจะให้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 เวลาเราไม่คาดหวังนะเราจะรู oui. en, yep. ้สึกว่ามันถึงไวเนี่ยขาไปเนี่ยหลายคนจะสวามันถึงช้าแต่ขากลับเช่นเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะสึกเออมันถึงไวนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความคาดหวังว่าจะต้องถึงไวๆนะความอยากให้ถึงไวๆมันไม่มีนะเราก็เลิกกลับรู้สึกว่าเออมันถึงไวคนที่อยากได้นะ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 แล้วจิตเนี่ยมันไปกดไปบังคับมันไม่ได้นะมันยิ่งต่อต้านยิ่งห้ามก็ยิ่งยุเหมือนยิ่งยุนะเหมือนกระเด็กวัยรุ่นยิ่งห้ามก็เท่ากับเป็นการยุนะใจเราก็เหมือนกันอย่างนั้นนะตลอดไปบังคับเขาเนี่ยนะเขาจะต่อต้านเพราะนั้นเนี่ยเวลาปฏิบัติที่นี่เนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนให้ทําเล่นๆทําเล่นๆนะทําเล่นๆนะคือว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจ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 เหมือนกับเวลาเราเล่นฟุตบอลถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ น, นะะจะแพ้บ้างก็ไม่เป็นไรจะถูกเขายิงบ้างก็สนุกนะผลไม่สําคัญแต่ว่าทำํำได้เนี่ยมันสนุกการทำเล่นๆไปกนะ็คือการวางนะวางความคาดหวังในเรื่องผลนะไม่ยึดติดในผลนะแต่หลวงพ่อเทียนท่านก็ไม่ได้สอนเ ท, นะท่านี้นะท่านสอนว่าให้ทําเล่นๆและทําจริงๆนะ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 ให้ปรับใจขื่อใหม่นะว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเสียหายนะมันจะคิดก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ฝึกให้เราไม่ได้ตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดคิดแต่เรามาฝึกเพื่อจะให้รู้ทันความคิดนะเราจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรถ้าความคิดมันไม่ออกมาเป็นการบ้านนะ ถ้าไม่มีความคิดเลยเนี่ยเราจะรู้ทันความคิดจากอะไรนะเราจะรู้ทันความคิดได้ก็ต้องมีความคิดมันเผอคิดเกิดขึ้นมาแล้วจึงจะรู้ทันนะแต่ใหม่ใหมยมันจะรู้ทันได้ช้านะเพราะว่ามันคิดไปหลายเรื่องหลายเราจึงมารู้ทันไม่เป็นไรทำบ่อยๆทำบ่อยๆนะมันก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นนะแต่จะทำอย่างนั้นได้ราบรื่นเนี่ยนะมันก็ต้อง เริ่มจากการทีนะ่เราไม่รู้สึกว่าความคิดฟุ้งซ่าน ม, มันเป็นสิ่งที่เลวมันเป็นสิ่งที่ต้องกาจัดไม่ใช่สิ่งต้องกาจัดนะแต่เป็นสิ่งที่ต้องรู้ทันต่างต่างกันมากเลยนะและที่เราอยากจะกาจัดเพราะเรามีความคาดหวังว่ามันจะต้องสงบให้ได้ต้องสงบให้ได้จิต ท, ที่มุ่งความสำเร็จแบบนี้เนี่ยมันทำให้เครียดง่ายนะ ที่เราทำงานแล้วเราเครียดเนี่ยเพราะใจเรามันคิดถึงแต่เป้าหมายนะคิดถึงแต่ความสำเร็จตลอดเวลาแต่ถ้าเราลองวางนะวางเป้าหมายลงหรือว่าลืมมันสักหน่อยนะลืมแ้วระหว่างที่ทำก็ลืมให้อยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องสนใจอนาคตเป้าหมายหรือความสำเร็จคืออนาคตซึ่งมาไม่ถึงหรืาเพิ่งไปสนใจมันมากนะให้อยู่กับปัจจุบันนะอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนลิสัยใหม่นะ ก็คือว่าทำแต่เหตุนะส่วนผลนี่ก็วางนะไม่ทำให้เราเนี่ยมีนิสัยแบบใหม่คือเรียกว่าทำเต็มที่นะแต่ไม่เสีเรียดนะเวลาทำทำเต็มที่เลยนะแต่ไม่เครียดเพราะว่าจิตไม่ได้จดจ่อยอยู่ที่จุดหมายไม่พวงจึงไม่วิตกกังวลนะอันนี้แหละคือสิ่งใหม่ๆที่เราจะต้องมาเรียนรู้นะ ซึ่งมันก็อาจจะสวนทางนะกับความเคยชินหรือนิสัยเดิมๆนะจะเอาของเดิมนี่มาใช้ไม่ได้ถ้าเอาของเดิมนิสัยเดิมมาใช้เนี่ยก็จ ะ, ะปฏิบัติด้วยความเครียดล้มความขมองหงายนะเสียสูนได้ ง, ง่ายๆนะให้ลองนะคิดใหม่ทำใหม่ดูนะวางในสิ่งที่เราเคยทำลงแล้วก็ลองมาทำสิ่งใหม่ๆดู